มันไปสุขไปทุกข์เพราะความคิดเราก็กลับมาลู่กไปสนใจความสุขความทุกข์อยู่ที่กิตกลับมาลู่ที่กายกลับมาลู่ที่กายในกายเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเคยกินนะคนเราเนี่ยมันไปเอาสุกเอาทุกข์ เ, เ, ก เ, เพราะความคิดไปเอาถูกเอาผิดพวกความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่ทั้งหมด แล้วแต่มันจะสั่งการสั่งงานอะไรเป็นที่ขค่าของความคิดจเจริญในความคิดการปฏิบัติการจเจริญสติเนี่ยมันต้องเป็นอิสระออกมาดูอย่าเข้าไปในความคิดเหมือนกับเราออกเงอกโลก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 อันหลังมาดูมันช่างมันหม อ, อะไรชื่อว่าเอราวันแล้วมันก็มีช่างอยู่สี่ตัวอยู่ในเขตผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนช่างหมหมตรงเนี่ยตรงที่กติจันยุกิกติอเบอร์สี่เนี่ยเหมือนกับหัวช่างาที่เขาที่ หัวใขกันไปโน่นมันกับตัวช่างที่มันหลังกงกงมันโมกอยู่มัน ก, ก็เรียกว่าเอราวันปีหนึ่งเนี่ยปัญหาที่วัดโมกเกิดขึ้นไม่มีใครแจ้ไขของปูเทียนให้ผมไปตอนนั้นผมกำลังเล่นกับพวกเก่งพวกกวางพวกหมู ทีว่าจะจับเก้งให้ได้มันข้นกันมากๆตอนเย็นๆเนี่ยเดี่ยวคนเดียวเวลาจะไปอาบน้ำาแีวกติจันไรสารมาตะอาศาลาน้ำทำไ ม, ะมะขอนไม่อยู่ตรงนั้นลงไปอาบในห้วยลึกๆมไม่เป็นสะแบบนี้ ลราเดินลงไปอาบน้ําเนี่ยพกเก้งมันจะมาเห่าไก่ปลาก็เว้นขึ้นขันตอนเย็นเย็นไม่ใช่เย็นนะสามบ่ายสามต่างชาตินะบ่ายสี่บ่ห้ามันก็เย็นมากอาบน้ําไม่ได้มันหนาวบ่ายสามเนี่ยต้องไปอาบน้ําเก้งมันก็อยู่จอมปลวกที่กติเบอร์สีนั่นต้นประตูใหญ่นั่นผมเคยเอา <c oughs> เอาเอาน้ำปลาไปเทให้ให้มันกินมันกินดินจนหลุดจนจนเป็นหลุมเวลาไปทางล่างทีหนึ่งต้องเอาน้ำปลามาปากมันทีลราขวดสองขวดแล้วก็ไปดูมันไปกินเราได้ว่ามันกินปง่งกินแล้วมันก็ชนกันขึ้นเขาตัวน่ะขึ้นจอมปลวกตัวน่ะไถกันขึ้นไถกันลงไถกันขึ้นไถกันลงเงินก็อยู่ใกล้ ดูมันเล่นๆจอยผนก็มองดูผมมันก็เหา่าโ oh, oh. ่โงผมก็รู้เรื่องเขา ม, มันก็ชนกันว่าจะจับมันให้ได้คุ่นกันมากเอดีหลวงปู่เทียนสั่งให้ไปแกไขปัญหาวัดโมกก็ไปแล้วไปยืนดูคิดคิดห่วงไม่มีใครอยู่ พวกไก่พวกเก่งเป็นยังไงนอ้อนายพลานก็เยอะนมัยนั่นเรกลับมาดูก็เห็นวัดป่าสุขโตเห็นโดยความรู้สึกต้นไม้เห็นรลปล่างเห็นสัตว์ป่าเห็นไก่เห็นหมูด้วยเห็นขยารอด้วย พญาลอเนี่ยมันจะเดินลำแผ่นให้ดูตอนเย็นๆออกมาวิ่งให้พวกไก่ป่านี่ท่วงกันโจกแก้โจกแก้ไม่กลัวใครหรอกพญาลอเดินชงงางามวนโอ้ยบรรยากาศกลับหันหลังมาดูเนยโอ้คิดว่าเมื่อไรจะได้กบมาอีกเนาะวัดป่าสุขโตเนี่ยองระเทียนเขไม่พอใจนะที่มันอยู่ตรงนี้ ปะยู่กับใบกับเรียงกับข้างอยู่โน่นต้องมาอยู่กับคนลราทำมาแล้วต้องมาสอนคนก็ ล, ลงไปเนี๋ยวออกไปดูดูแล้วที่เราเคยเห็นมันนะสุกโตเคยเหน็นก็รู้นะเห็นลึกซึ้งด้วยนะใครจะหลอกไม่ได้เพราะเห็นอยู่กับสุกโตอยู่กับต้นไมออาา้อยู่กับอากาศอยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับสิ่งแวดลอ้อม มีท the right in so right ั้งกลิ่นมีทั้งเสียงมีทั้งลดลดแห่งความสงบลดแห่งเสียงบางคืนไม่รู้จะฟังเสียงอะไรเลือกฟังเอาตื่นขึ้นมาดึกดึกตื่นเดินก่อนจะนอนจะหลับคอยฟังเสียงสัตว์วันร้องเสียงนกเสียงสัตว์ฟังเสียงนั้นโอ้นั่นมันสัตว์แบบนั่นนั่นมันสัตว์แบบนั่นนั่นมันนกมันนั่นนั่นสัตว์นั่นมันกวางมันแจ้ง บีฟังแล้วก็หออลับไปตื่นขึ้นมาก็ด้ยินฟังมีเสียงมีลดลดแห่งความเย็นลดแห่งความสงบมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นใบไม้บางทีเราพบเห็นออกไปดูออกไปดูไปอยู่นั่นเดือนหนึ่งปัดหมกแกใไขปัญหา กลับมาเนี่โอ๊ยตายหมดเลยเจ้งอะอดไม่เหลือเลยว <laughs> เจ้งสี่ห้าตัวตายหมดเลยเขามายิงเอาของมันคุ้นแล้วมันเราไปเอาอ๋น้ำปลาไปให้มันจินเขาก็มาดักยิงเอาคนที่ยิงก็พอทยกถนนี่แหละมั่นหม่นี่แหละตายไปแล้วรถชนตายอาจจะเป็นบาปหรือไม่ก็ไม่รถ <laughs> ชนตายเลย ไปขายไอศครีมที่กรุงเทพเดินอยู่อยู่ใสรถอยู่พดบาทพอใส่รถออกไปลงพดบาทไปรถก็ชน เ, าเราพอล็กเลยเหมือนกับถูกปืนยิงออกมาเผาที่บา<ม>้านเนี่ยบางทีเราก็เห็นจริงๆการออกมาดูโดายของเราเนี่ย เราดูอยู่แล้วเดือนสองเดือนแล้วทําไมมันจะไม่เห็นเห็นความคิดนะเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นอาการต่างๆอืป่าสุกโตมันเสื่อมตั้งแต่น่นละ่ะพวกเก่งพวกหมูพวกไก่กยพยาล้อมเนี่ยมันจีบหายตั้งแต่น่นแล้วต่อเครื่องก็เลื้อมาไม่เท่าไหร่หรอก ไม่ได้หนีไปไหนตั้งแต่วันนั่นนะเราคงได้เห็นทยารออยู่เขาก็มาจีบพาอยอีกช่องหนึ่งไก่ป่าช่องทะเละกันทนี่ไม่มีพระอยู่ปีพรรษาหนึ่งเขาก็มาเอากระสอบมาใส่เอากไก่ไปวันละกระสอบสองกระสอบ บางทีนะฟ้าที่มาอยู่ไม่มีค่าน้ำค่าไฟไม่มีอะไรก็ให้เขามาจับเอาไก่ไปถางป่าก็ให้เขามาไล่เอาไก่เอาไก่จ้างคนถางป่านั่นก็หมดแล้วอดไก่ไปร้อยสองร้อยนะพู้เพ่นเล่นๆ <c oughs> น, นะไอ้นี่ตรงศาลาเนี่ยตอนเย็นเนี่ย้งพ่อจะสนุกกับพวกไก่ เวลามาออกจกกะดีมาก็มาปวดชลาโคกโเคโคเคอยู่นี่เอากปวดชลาโคกเคโคเค โ, เ ค, โ, เ ค, โเคไก่มันได้ยินเสียงกวดชลามันก็ออกมามันเคยได้ยินครับออกมาขันออกมามาเป็นกลุ่มกลุ่มทางทิศใต้เนี่เป็นจ่าผุงหนึ่งกลุ่มทางทิศตอนทิศใต้กลุ่มทางทิศเหนือกลุ่มทางทิศใต้ ถ้าหวานข้าไปทางทิศเนือทิศใต้เนี่ยกลุ่มทางทิศเหนือมากินไม่ได้กลุ่มทางทิศใต้ไล่ขับไปแต่าวานไปทางทิศเหนือกุ่มทางทิศใต้ไปกินไม่ได้กลุ่มทางทิศเหนือไล่กลับมาเขาก็หวานไปตรงนั่นโอดตรงทิศตะวันออกลวหวานไว้ตรงนั่นก็ไปกินด้วยกันมันก็สนุกแบบหนึง่งแล้วก็ดูมันก็เห็นเหตุรสชาติของสุขโต ใช้ประโยชน์มันยังมีลอยสัมผัสลึกๆ ก, กับชีวิตของเราอยู่สมัยสิบปียี่สิบปีโ น, น่นถ้าบวชมาเนี่ยก็สามสิบกว่าปีลอยพุทธยานบ้างลอยพุทธยานนี่ รอยเด่นที่สุดเลยลอยสุโกโตเนี่ยก็ลอยแห่งรถทุกรถอยู่ตรงนี้นาะนี่เราเห็น <c oughs> เห็นชีวิตที่มันสัมผัสการสัมผัสเนี่ยก็คือตัวเราในละตัวเราในละเขาเปนดูมันดูกายดูใจของเราไม่สติโล่เห็นกายเห็นจิตของเรา อาจจะเป็นนักชกก็อาจจะเป็นนักมวยก็ชกให้เข้าเป้าเข้าเป้าตรงไหนที่เขากำหนดเอาใบหน้าถ้าชกถูกหน้าก็ได้หนึ่งคะแนนถึกที่สองก็ได้สองคะแนนถึกที่สามก็ได้สามคะแนนถ้าชกถูกตรงอื่นเขาไม่นับเป็นคะแนนอ่าโอลิมปิกเขานะอันนี้ฟังข่าวฟังข่าวดูมเมื่อคืนเนี่ย อโอ้ <c oughs> oh, คนเราเนะี่ยหาสนุกกับคนตีกันตีถูกแข้งถูกเข่าก็ไม่นับด้วยพยายามตีจะตีใส่ใบหน้ากันบ้าหรือเป็นคนดีก็ไม่รู้คนเราเนะี่ยก็ต้องช่วยกันไม่ให้ฆ่าไม่ให้ตีกันการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันต่กเอาให้มันแม่นนะ่ะเอาดูเห็นไกลดูเห็นจิตเนี่ยนะส ต, ติต้องตรงนี่นะ เ้าไม่ตรงน่เราไม่ใช่สติหรกเป็นอวิชชาอาวิชชาก็รู้นะรู้รู้แบบผิดผิดแต่วิชานี่รู้แบบถูกรู้ตรงจิตรู้ตรงกายของเรา mm hmm. ให้เห็นกายให้เห็นจิตมีสติดูเห็นพบเห็นแล้วใดีทมันชิดรู้ทุกทีให้มันมันแม่นอะดรคิดไปแล้ว มันกลายเป็นสุกกลายเป็นทุกข์ไปเสียแล้วอันนั้นไม่แม่นเก็บตัวแล้วถ้าเป็นนักชกเขาชกได้ก่อนเราเสื้อเปรียบเขาไม่ได้คะแนนอะไรคะแนนก็คือสุขคือทุกข์ไปแล้วคือโกรธคือโลภคือหลงคือเกลียดตัณหาราคะไปแล้วเ ข, ขนาเปคะแนนกลัวเราต้องแพ้ถ้าเราลุ้นเป็นชัยชนะแต่แพ้บางทีแพ้มากๆเป็นปรารชัยนะ ปาราชัยคือปาราคิกนั่นละขี้แพ้ตลอดเวลาปาราคิกแล้วไม่มีวันที่จะได้บรรลุมรรคผลในผ่านคนขี้แพ้ต้องปาราคิกแบบขี้แพ้ปาราชัยในอารมณ์ อ, มอาจะไม่ได้เสพเม่ทุนไม่ได้ลักของเขามไม่ได้ฆ่ามนุษย์ให้ตายไม่ได้พูดอุตัลิมนุษยธรรมแต่คนขี้แพ้ตลอดเวลา ยินดีบ้างยินไล่บ้างสูกบ้างทุกบ้างโกรธบ้างล้งบ้างโลภ บ, บ้างกิเลสตัณหาครอบงำ บ, งบังคับขับใสตกเป็นท่าเจ้านั้นนะปาลาชัยปาลาชิกถ้าภาษารำนะถ้าภาษาคนก็สี่ข้อเท่านนะั้นเอาจริงๆเราถ้าจะพูดถึงทรมวินไยเนยนะแต่สินไม่ใช่สองรอยยี่สิบเกตับเป็นหมื่นๆมืนแสนแสนเราพูดถึง อันยิ่งสมาธิอันยิ่งนะแล้วเราก็มีสตินี่แหละรู้สึกนหละเอาให้มันแม่นๆรู้สึกกายรู้สึกใจของเราอรู้จนถึงก็ว่าเป็นหน้ารอบนั่นแหละแต่รู้หลักมันรู้กายรู้ใจมันก็ต้องมารวมให้เห็นหมดนั่นแหละอาการต่างๆวัตถุต่างๆ โลกถ้ามันเป็นทุกนามที่มันเป็นทุกโูกถ้ามันเป็นโลกนามที่มันเป็นโลกรลกมันสมมุติอย่างไรนามมันสมมุติอย่างไรมันบัญญัติอย่างไรเป็นวัตถุอาการอย่างไรเป็นปรองมัดอย่างไรเป็นบาปตรงไหนเป็นบุญตรงไหนเป็นศีลอย่างไรเป็นสมาธิเป็นปัญญายังไงอ่าเดี๋ยวอนี่มันจะบอกมันจะสัมผัสได้เป็นบุญ ตัวบุญก็คือตัวรู้เนี่ยตัวบาปคือตัวไม่รู้ตัวมืดบาปคือมืดบุญคือไม่มืดพอมันเห็นอืพอมันเห็นมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ปลอดภัยก็อยู่สบายแต่มันมืดมันก็ไม่เห็นถ้าเราเดินเข้าไปในป่ามืดลงมันก็ชนโน่นชนนี่คําไปหลง ทิหลงทางหลงไปในความโกรธหลงไปในความโลภหลงไปในความหลงหลงไปในกิเลสตัณหาลาคะตายใช่ <c oughs> แล้วสำลักความจังนี่นะคือการปฏิบัติถ้าจะลู้เรื่องอื่นโอ้มากพระพุทธเจ้าสอนเราเพียงกํามือเดียวอ่านอุตตปปัติของ อันเลยฮัตอันที่จำเลยฮัตฮัตอันนัดนัดนัดตันเนี่ยโอ้พรอาจารย์นนะแล้วก็เขียนดีแล้นกันนี่เขาก็ต้องศึกษาศึกษาดูเรื่องชีวิตเรานะมันเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไงมันเป็นบุลเป็นบาปอย่างไร น้ยเรื่องพันอย่างที่มันเกิดอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ย <c oughs> มันเห็นกำมือเดียวอ่านพุธประวัติสมัยพยปประเจ้าป่าปลาดูายจับไปไม้เป็นมากำมือเดียวชูให้ภิกษุทั้งหลายเห็นไปไม้ในป่ากับใบ ไ, ไม้กำมือของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันดูเถอะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่า ใบ ไ, ไม้ในป่ามันมากกว่าใบ ไ, ไม้ในกรมือของพระพุทธองค์พระเจ้าว่นี่แหละเอามาสอนพวกเธอทั้งหลายเท่านี้ตอนความรู้มากมายนะอย่างที่เราว่าสินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยยี่สิบเจ็ดบางทีเพียงได้ยินว่าสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็กลัวแล้วแต่สินห้าก็กลัวแล้วยอมแล้ว บ, บางคนออบางที เห็นมากับตาพอกว่ า, วาข้อที่ห้ายกมือท่วมหัวรับไม่ได้เวลาไม่ระยะมันจะเอาไม่ได้ก็กลัวแล้วริ่งมันไม่ใช่เท่านี้สินของเรานะ่มันมากมายหลายอย่างยิ่งมีสินยิ่งประดับยิ่งงดงา ม, มบางคนก็ติดเหล่าติด โลบติดรถติดกลิ่นติ ด, ต ด, ต ด, ตดเสียงไม่โลกเขาไม่รู้ตัวเขาเหมือนเตา่าเหมือนปลาที่อยู่ตในน้ํามันไม่เห็นบกเหมือนกับเตา่าโผล่ขึ้นมาทะเลมุดลงไปมันกลัวกลัวบกเต่ามันไม่กลัวสะเทือนบกสะเทือนน้ําขึ้นมาบนบกก็ได้อากาศหายใจก็มีอาหารก็มี คีวิตของเราก็เหมือนกันออกมาดูนอกโลกดูไปสุกทําไมไปทุกข์ทำไมไปโกรธไปโลภไปหลงทําไมไปรักไปชังทําไมไปยินดียินไล่ทําไมไปรับใช้กิเลสตัณหาละค่าทาไมลองหายใจดูลึกๆ ก, ก็ได้นะให้รู้ตัวเองนะ่ะชีวิตของเรามันดึงออกไปมากแล้ว โกมันกลับมาเรียกมันกลับมาโล่เอาปีนี้ก็ตั้งใจจะมาเข้าถ้ำทท่สกโตอคนที่สทโสกอยู่ไม่ได้ไปกันล่อนกันล่อนเหมือนเดิมคิดว่าสร้างถ้ำไว้เพื่อจะมาอยู่เอาให้มันเงียบดูสุกพัรษานก็ไม่ไหๆอันนี้ก็จะได้ไปอาจจะไม่ได้กลับมานะอาจจะพักที่ท่ามไป อ า, อาจจะตระเวดไปนู่นนะไปนาโคูน้องโคอนะูอคีกนะไปน้องโคูกอกกับมากับไปอีกแล้วพุทธมนทนแล้วานาโคูก็ไม่มีเพื่อนรอยยี่สิบวันงานนาโคูไม่วันสองวันที่จัดไว้ล็อกไว้ที่มาร่วมงานาตั้งแต่วันที่ ยี่สิบตไปสิบเก้ายี่สิบเนี่ยงานอบรมกลุ่มแม่บ้านตั้งแต่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่บห้าไปก็อบรมผู้ใหญ่บ้านกำนันดีไหมอูดให้หลวงพ่อไปไหมก็น <c> ด <oughs> าไปนะน่าแต่พวกเราก็มีอาจารย์ไพศาลมีสันติกโลมี เพื่อนโอ้สบายเลยวัตสุกโตปีนี้หนึ่งในสี่ห้าสิบปีละปีนี้เราอยู่กันด้วยความสงบในแต่ผู้ที่ตั้งใจตั้งใจดีๆสละบ้านเลือนสละหน้าที่การงานมาเพานี่ก็เพื่อนของเรามาบวชตั้งใจดีๆเนี่ย ที่จริงงถ้ามาไปหวานน้าเป็นห่วงกว่า น, นี้มากตอนเย็นวันนี้ผมจะนอนท้ามะไปหวานพอได้พูดกับพระกับงสงฆ์เล็หน่อยจะง้อจะง่ากันอยู่ออกมาเมื่อวานก็มานั่งอยู่ศาลาประตูวัดเนี่ยกองแกงเหงาอะไรก็ไม่รู้เมื่อไรนอจอกปรรษาเมื่อไรนอจอกปัญษ า, า, า, า, ก, าก็ไปรูศา ล, ลาศาลาน้าประตูเนี่ยแต่ผมอยู่เลยไม่ให้มานั่งเลยนะอันนี้ก็ไม่มีใครบอกมานั่งคอยดูคนผ่านไปผ่านมา มันก็ไม่น่าดูพวกเราเนี่ยหาที่หาเวลาไหนไมือ ไ, ไม่เหมือนปีนี้แล้วหุนใจมากๆฉันไปศาลสันติกันโลหรืออาจารย์หลายองค์เออตรงนี้เอาใชยโอกาสเลยพวกเราเข้าท้ำกันกะติคนละหลังละหลังฉันชาวเสร็จแล้ว จาโอเอไปทำมันอ่ดกลับมา <c oughs> มันนั่งดูตัวเองมือนกับสมัยหนึ่งพระพุทธเจา้ากับเหล่าพระสาวกเดินลอนแลมไปไปเห็นป่างามนาม้ำไสไหลเ ย, ย็นเสียงนกน้อยต้องเคี้ยวเช้าชกเคียกซ้เมเสียงนา้าตกพระสงฆ์ท า, ายตื่นเต้นกันโอ้ป่าในดีเหลือเกิน พระโมกขันลาสาลีบุตรพระานนท์พระนุรธะพระอุบาลีอ่านกันป่าอย่างนี้ไปสนทนากันอยู่อุวาลีก็บอกว่าป่าอย่างนี้ต้องให้พระผู้ที่ทรงพระธรรมวินัยอยู่ยังจะเหมาะสมเข้าข้างตัว อาโมกคนเราโอ้ไม่ใช่คนนั่นไม่ใช่ดอกป่ า, ป, า <c oughs> ป่าอย่างนี้ต้องเหมาะแก่พระผู้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารอาสารีบุลเก็พูดว่าไม่ใช่ป่าอย่างนี้ต้องอุทิศเลิศด้วยปัญญาว่านนนก็ว่าโอ้ไม่ใช่ป่าอย่างนี้ต้องเป็นพระหูสูตรอ่ า, าหลายองค์ก็เข้าข้างตัว คงจะเหมาะคงจะเหมาะถ้าเราอยู่นี่ถ้าเราจิตสอนคนเราจะนําเรื่องนั่นเรื่องนี้มาพูดให้เรื่องพระเจ้ามาสอนปกเราให้ได้ยินได้ฟังมากๆก็อนองก็ชิดไปพระพเจ้าเดินมาพบเขาอาพิิกตัวทั้งหลายบอกเธอสนท น, ธนาธรรมกันเรื่องอันใดอันนี้จำมาพูดนะพิชิตทั้งหลายก็ตอบว่าเขาพูดกัน บาปาเนี่ดีอย่างนั่นดีอย่างนี้เหมหาะสำหรับพระนรนก็เหมาะสำหรับพระองค์สูตรเพราะพระอนนเป็นได้รับเอตตัคขะในทางพระองค์สูตรบาวาลีก็เอตตัคขะในทางพรามวินัยระโมกขลานะาก็เอตตัคะในทางฤทธิปฏิหารอส า, าลีบุตรก็เอตะะัคทตคขะในทางเลิศในทางปัญญา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 มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ป่าอย่างนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ตั้งกายตรงนาลงสติมีสติเป็นหน้ารอบที่สุดทังหลายครับสาธุกันเราทําอันอื่นไม่เหมาะตรงนี้นะไม่เหมาะอย่างเดียวคือมีสติที่ไหนๆก็เหมือนกันนวมีสตินี่เหมาะที่สุด เหมาะที่สุดถ้ามีสติาไม่มีสติที่ไหนก็ไม่เหมาะมันหลงมันหลงเราจะมีประโยชน์อะไรตัวรู้นี่แหละชีวิตเราแท้แทตัวรูเน่ยแต่ตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราดอกปฏิมานเอาไปยาเอาไปกิเลนตัณหาละค่ะเอาไปตัวรู้สิ่ตัวนั้นเป็นของเราเป็นอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถเพึ่งเรึ่งได้ แต่หลงหรือมันพึ่งไม่ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันยากทำอะไรก็รู้ได้เนี่ยนะพริบตาดูก็รู้ได้หายใจดูก็โด้ได้กินน้ําลายก็รู้ได้อยิ่งเรามาทํารูปแบบสร้างจังหวะเดินจงกรมให้รู้สึกตัวเนี่ย นี่ก็ <c oughs> อันนี้ก็ผมก็ก็ว่าจะให้ชาวบ้านเขามาถางมาได้หญ้าที่เราปลูก ป, ป่านะอาจารย์หนุ่มชาวบ้านมาได้หญ้าก็มีเงินเดี๋ยวกอนหนึ่งที่คนคนเลยรอาจารย์าษาคนคุณสุวิดาเอามาให้สําหรับดับไฟป่าได้ใช่ไปบ้างแล้วส่วนนะ่งเราจะเามาไดหญ้าที่ปลูก ป, ป่าเนี่ย ให้เขาเสียเขาถากเขาเขาเรียมท่วมขึ้นสูงมไหมหญาตรงปลูก่ะท่วมจะเห็นต้นไมไหมท่วมหมดแล้วนะให้เขามาได้ได้เท่าไหร่ก็เอาคือหนึ่งมันจะมีประโยชน์ตอนนี้ชาวบ้านเขาลองอดอยากยากแค้นอยู่ให้เขาพอมีเงินมีงานมีงานทำ เขาก็ได้งานส่วนหนึ่งอีกหึ่งเขาก็มีในเงินไปซื้อข้าวซื้อของกินแต่ว่าไม่ไม่ใช่อาญาเสว่ามันก็นายยกชวนนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยคงไม่คงไม่ไมอ่าท ะ, ะเลละลายทะเลน ะ, นะะก็กลางวานก็บอกอบปตเขาว่าหาหาคนมาทำน่าจะเอาจีคนก็บอกว่า แล้วแต่ใครจะมาเท่าไหร่แต่ว่าต้องมาทำจริงๆงเจ้าราคาวันเมื่อละเท่าไหร่ก็ต้องตกลงกันเอาเพราะเราไม่ได้จ้างจริงเราเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือสร้างป่าของเราขอบฟ้องนะนะอาจารย์ประชานิะะสักการะพระา ตัมมะตตภะโพมภะันตังอะิาเสวะโตภะะะตัโมธัมมนะมสะสะิปโนภะวะโต